ท่านสาธารณชน บ, บริษัททั้งหลายตอนที่แล้วเป็นการตายตอนที่สี่ตอนนี้ก็ว่าฉันต้งการตายตอนที่ห้าจึงว่าการบันทึกวันนี้ก็ยังเป็นวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าร้ยยี่ิบเจ็ดทบทวนกันไวจ้จะได้ทราบว่าบันทึกเมื่อตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะเสียงนี้มันคงจะยังอยู่เม่อผมตายไปแล้วเสียงี็ยังอยู่ เวลานี้ก็ยังมีการป่วยไข้ไม่สมบายเป็นปกติมันงงครับเวลาพูดแต่งงงงงบ่นๆสายตาก็สั่นมันจะเป็นยังไงก็ช่างถ้าเรื่องธรรมะผมสู้คราวนี้เป็นการตายใหญ่คราวนี้ตายเมื่อรีพศ2 5 1งพุทธกาลคนดี ความจริงผมเคยทราบว่ า, ก, า, วออากึากา่งพุทธการไปแล้วพระองค์สมเด็จพระปทิบแก้วทรงพยากรว่าหลังจากกึ่งพุทธการไปแล้วพระพุทธศาสนาจะร่วงเรืองอีการะหนึ่งและก็จะมีพระอริยเจ้ามากใายสมัยพระองค์ยังอยู่ใ้ปีนั้นก็เป็นการพอดีที่หลวงพ่กปานสั่งไว้ก่อนตายว่าลิงดำ ถ้าจะบวชถึงยีส่สิบระษาและจะออกจากวัดบานโคไปจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าคืนอยู่ที่นี่เจ้าจะไม่ได้ดีจะออกไปจากที่นี้ผมก็จะเป็นคนมีกิเลสความจริงก็ไม่อยากจะออกถ้ามันไม่ป่วยคราวนั้นต้องป่วยจริงๆนอนโรงพยาบาลถึงสองปีและพักฟื้นที่วัดจินโนรถ หลังใกล้ๆโรงพยาบานอีกหนึ well. ่งปีอยู่กับเจ้าหน้ีคุณสวรรณเวทีในการป่วยครั้งนี้ผมเต็มใจออกจากวัดทั้งนี้เพราะอะไรพาวัดบารังโคเนี่ยก็เป็นวัดที่อยู่มานานแล้วก็ทํางานให้แก่วัดไม่เยอะแต่คนที่พยายามขัดคอก็มีมากฉะนั้นการก้าวหน้าในการบำรุงวัดจึงมีไม่ไม่สมกับที่เราตั้งใจ แต่ผลใหญ่ที่ได้รับก็คือว่าเวลาผมป่วยสองปีไม่มีคนบันโคไปรเยี่ยมเลยก็มีไปเยี่ยมสองคนเกว่าไม่มีเลยก็ได้เป็นทายกเพราการไปสแสดงแทนที่จะถามอาการป่วยไข้ไม่สบายกลับไปถามทรัพ์สมบัติที่ผมหาไวสิ่งนั้นสิ่งนี้ขอเถิครับ ผมก็เลยคิดในใจว่าตาบนบานองโคนี้ไม่ควรจะหันกลับไปอีกเราไม่ได้เกลียดคนบานองโคแต่ว่าท้อใจว่าคนบานองโคลืมง่ายทั้นี้พราะอะไรเพราการป่วยกันทั้งสองปีมาตอนหลังเมื่อเขาเห็นว่าผมมีอะไรเกิดขึ้นมาเขามาหาก็าเขาไม่ทราบว่าผมป่วย ขนาดผมป่วยสองปีพักฟื้นหนึ่งปีไม่ทราบถ้าผมกลับจะไปทําอะไรอีกถ้าผมแย่ลงมาเขาค ง, งไม่ทราบตามเดิมผมคิดว่าคนอย่างเราคนที่เขาไม่ต้องการจะทราบก็เลยไม่ต้องการเสลิ่จะเข้าไปเลยดีกว่าก็ตัดสินใจออกจากวัดโดยไม่ได้ลาจากตาแหน่งจะาอาวาสผมอยากจะใหม่ขาดไปเฉลยก็จะไม่ต้องตั้งอะไรกันอีก ไอ้ยศช่างคุนานางพระผมไม่เห็นมันเป็นประโยชน์เป็นไปอะไรก็แค่นั้นแหละจะไม่มีความหมายประโรงความว่าหลังจากนั้นเมื่อผมเข้ามาอยู่โรงพยาบาลแค่วันที่สามก็ไอ้การอาการของ ก, การป่วยทางท้องตามเดิมก่อนที่จะเข้าไปป่วย สร้างโลนสังนิความจริงผมรู้ตัวก่อนหน้าสามปีว่าอีกสามปีข้างหน้านี่ผมจะต้องป่วยและต้องนอนโรงพยาบาลจริงๆสองปีแล้วต้องออกมาพักฟื้นภายข้างนอกใกล้ๆโรงพยาบาลอีกหนึ่งปีซึ่งหมอคอยติดตามถามอาการของโรคไอที่ผมรู้จริงๆผมไม่รู้เองผมรู้จากพระขึ้นไปรมัชฌการท่านท่าก็บอก ว่าการต่างๆทั้งหมดงานหน้าตาทั้งหมดให้ยักยัง้งทําให้น้อยมันอยากงานมันอยากค้างเพอีกสามปีข้างหนา้าเธอจะป่วยอาการป่วยท่าบอกเสร็จผมก็รวบขยายงานหนักขึ้นรวบรัดงานให้มากขึ้นแต่ขยายงานให้มากขึ้นสร้างภายนอกเป็คนเขาช่วยพอเสร็จเรียบร้อยผมก็เดินพาเลกเข้าโรงพยาบาลมันป่วยแล้วเริ่มป่วยมาแล้วหนึ่งปี เขาเข้าโรงพยาบาลหมอก็ต้องบอกว่าต้องนอนโรงพยาบาลผมก็นอนเข้าไปนอนแล้วคืนที่หนึ่งเวลาประมาณสองทุม่มทั้งอื่งทั้งเสียดอย่างหนักทำท่าใจะให้ใจไปออกผมภาวนาไม่ไหวพวว้นนึกในใจร่างกายนี้พังไปไรขอไปหยกผมไ้นั้นแล้วผมก็พุ่งกลาลังใจไปวิมานผม วันนอนที่นั่นสมบบายเช้ามืดผมก็ลงคืนนี่สองไล่สองทุ่มอีกนาทีสองทไม่ก็เล่นแบบนั้นอีกผมก็ทาตามเดิมเมื่อคืนนี่สามเพราะนึกว่าคืนนี้ต้องสู้ก่อนข้าศึกจะมาต้องตั้งฐานรับต่อสกัดข้าศึกข้าศึกก็คือมรณะภัยแล้วอาจจะตายก็ได้ไว้ใจมันไม่ได้ ตอนจริงตอนต้นก่อนก็พร้อมเสมอแต่พร้อมอย่างสถานเบาคืนนี้เตรียมพร้อมสถานหนักเวลานหนึ่งทุ่มเสร็จรเตรียมไขเตียงในลักษณะนั่งนั่งเพียงสบายแล้วก็ภาวนาทําจิตเพลสุขผมไม่ใช้โรงเครียดเปลี่ยงฝังอยิง่งชบาบ้านเขาจิตใจเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแย้งพระโอษฐ์และก็สวยสดงามไปรกรณีพิเศษ <c oughs> ก็คิดว่าคราวนี้จะตายก็เชิเถอะตายเมื่อไหร่ก็ช่างชี่ยเกาะชายจีวรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปไปไหนก็ไปกันแต่ว่ามันไม่ยักหนีไปก่อนแปลกแทนที่จะโดดไปเสี่ยก่อนี่ทุกเวทนามันจะมาไม่ยักโดดยามปกติธรรมดาป่วยนิดป่วนหน่อยพ้โดดแขวไปเลยผมไป่อยเข็งอยู่บนวิมานโน้น ท่านพรมเขาก็นั่งมองดูร่างกายแล้วมองดูร่างกายนอนก็ได้นั่งก็ได้เห็นดูว่าถ้ามันหมดลมให้ใจมาเลยเราก็ไม่กลับถ้าไม่หมดลมให้ใจทุกเวทนาครตัวเราก็กลับแต่เรามีบางครั้งในการป่วยในระหว่างกลางกลา ง, องพอเรากาลังจะส บ, บายพบายหค้งเงียเงียบกลับไปปลุกสนิเกรงว่าจะตาย ถ้าเขาปลูกก็ก็ต้องลงมาลงมาแล้วถ้าไม่ลงดีก็ไม่เดี๋ยวร่างกายไปเผาก็อยู่มรละเราไม่ถึงก็จะกลายเป็นสัมเวสีไปวิมานนั้นก็ไม่มีสิทถ้าอายุคไข่ไม่ยังไม่ถึงเมื่อลงมาเท่าร่างกายร่างกายก็เจ็บโปวดตามเดิมมันเป็นการทรมานกันนี่ความหวังดีของคนโงู้ดทำให้คนที่ป่วยไข้ไม่สบายมีทุกขเวทนาอย่างนั้ แล้วบางคนก็ยืดหยาดยืดหยัดมีอะไรเรื่องมากๆสร้างความลำคลานดีไม่ดีพวกหลับตาไปเลยหลับตาเปิดจิตลำคานคนพวกนั้นบางทีก็ไม่น่าสอนอะไรต่ออะไรก็ไมศรรัตรูไม่เป็นเรื่องเป็นราว <c oughs> ไม่ได้มีประโยชน์ตัวเองไม่ได้พบอะไรเลยก็สอนส่งเดชหัวลำคลานคนพวกนี้จริงๆท่านบรรดาญาโยมพุบริษัทชายหญิง แริ่มพ้นไปสู่ ส, สมณเลนถ้าเวลาผมป่วยเห็นพ้อนอยเงียบๆมันยังไม่ถึงเวลากินยังไม่ถึงเวลากินยาให้ยาก็อย่าเพิ่งเรียกปล่อยไปตามปกติจิตก็ดได้เป็นสุข <c oughs> แต่ผมก็มั่นใจว่าใครจะตึงตั ง, งคลุความแบบไหนถ้าผมต้องการจิตสบายผมก็สบายก็รวมความว่าวันนั้นตั้งท่าสูงตั้งอารมณ์ตามสมัยใจ ใจทรงอารมณเงียบมีความสุขสงัดตามแบบฉบับแต่ไม่ใช่เข้าฌานตัวตึงเป่งอยังเขาทำกันพะจิตสบายเวลาสองทุ่มตรงเป็งเห้กาตีเขาไม่ได้กาแทนที่ไอ้โตอึดมาจะมากลายเป็นเทา่าสามสามบดีพรหมมาไปสามบดีพรหมท่านมาถ้ไามายิงขานาผมก็จำได้ผมพบทุกวันทำไมผมจะจำไม่ได้ ผมมีความเคารพในท่านผมถือว่าความดีของผมยังไม่เท่าท่านไกลท่านมากทุกวันที่ผมขึ้นไปพบท่านผมไปผมผมต้องไปหาท่านไปไหว้ท่านก่อนเวลานั้นผมรายได้ไปได้แค่ผมเพราะว่าตำราท่านสอนไม่ดีมาก <c oughs> ท่านบอกว่านิพพานมีสภาพศูนย์ในเมื่อนิพพานมีสภาพศูนย์ผมจะไปยังไง มันก็ไปไม่ได้ไปยังแค่ผมและการตายจะการตัดสินใจเพื่อนิพพานของผมก็ยังไม่มีผมก็มีความเข้าใจว่าผมต้องปรารถนาพุทธภูมิเป็นปกติแล้วก็ตั้งใจไว้เส ม, มอว่าตายเมื่อไรขอไปอยู่ที่ผมมันมีความสุขดีเ <c oughs> ที่ว่ามีความสุขก็ไม่มี ส, สาวๆสวยๆเข้าไปกวนถ้าเป็นเทวดาเทวดา ย, ย่อมย่อมเทวดาเด็กๆ จะมีบุญ น, น้อยคนหนึ่งมีนางฟ้าเป็นบริวารตั้งผันถ้าบรารมีมากกว่านั้นมีบริวารมากกว่านั้นแล้วนางฟ้าก็ก็สวยๆแล้วเกิดสวยทุกคนถ้าผมเป็นเทวดาเขาอันนี้สายเดิมเพราะมันมีอยู่ดีไม่ดีผมก็สถาบันานางาฟ้าก็เป็นชายาสบยายาามบติจะว่ายังไงก็รวมความ่าผลตัดสินใจประโยชน์มดีกว่าสงบเงียบดี ก็โดนความว่าเมื่อท่าสัมดีผมท่านมาท่านก็บอกว่ายกมือไหว้ท่านนผมไหว้ท่าน <c oughs> ท่านก็บอกว่าคุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการให้ไปพบท่านผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นขอท่านนําหน้าไปทางไหนผมไม่เคยไปผมก็เห็นพระพุทธเจ้าผมไมเห็นท่าที่อยู่พระเจ้าผมไม่เคยรู้อันนี้เป็นความจริง นี่คนที่มีฌานสมาบัติจะไปนึกว่าเห็นนิพพานทุกคนน่ะไม่ได้ไอที่ว่านิพพานศูนย์นั่นเรื่องมันเป็นอย่างนี้ได้ฌานโลกีไม่เคยเห็นแม้แต่เ ง, งาของนิพพานเว้นไว้แต่กําลังใจเวลานั้นจะสะอาดเท่ากำลังใจของาระโสดาบานันโดยเฉพาะเวลาไม่ตลอดวันโดยเฉพาะเวลาก็สามารถเห็นนิพพานได้ถ้าได้ถ้าหาว่าได้ปัญญาก็สามารถไปนิพพานได้ ถ้ากํำลังใจสะอาดไม่ท่ประโสดาบันไปไม่ได้แนะ่แต่การเข้าเกิดปฏิพันธ์นจริงไม่ใช่กําลังของประโสดาวเสสกิตาคาต้องเป็นกำลังอย่างต่ำํำคืออนาคามีกําลังเวลานั้นถ้าท่านอนาคามีใจดูดดภาพพระเจ้าพระรามนิพพานไปแล้วจะแสบตาต้องตัดสินใจว่าถ้าร่างกายพังมาไรเขาปฏิพันธ์จุดเดียว เราไม่ต้องการมนุษยโลกเทวโลกพรทมโลกต่อไปเป็นการตัดอวิชชาถ้าตั้งใจอย่างนี้จะมองก็ได้สบายกกำลังเสมอกันแต่ก็จะพราะเวลาสั้นๆของท่านมีตลอดการของเราจะพอะเวลาก็ใช้ได้รวมความท้าทายผดีพ่านลำหน้าเพราะก็ตามท่านแทนที่ทัายจะพาตรงขึ้นท่านพาไปชมผ่านโน่นตั้งแต่โล ก, กันตนรก เทเวจีว่าด้วยขมาทุกขุมถ้าอธิบายเรื่อยสมาต่เร็วเร็วก็ฟังชัดคือมาถึงสวรรค์ตัณฑลกเทวดาภุมเทวดารุกเทวดาอากาศเทวดาหมดผ่านพรมทุกชั้นท่านชี้หมดละทุกอย่างที่ไหนมีสุขที่ไหนมีทุกอย่างไงอธิบายหมดเราก็เข้าใจอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายยาว แล้วท่านก็ไปถึงขมชั้นสิบกท่านบอกหน้าที่ของผมไม่แค่นี้ต่อไปเป็นวาระของท่านจะต้องไปถามว่าไปทางไหนกอชี้ว่าไปจากนี่ไปจากขมชั้นที่สิบหกชี้ทางสูงขึ้นผมก็หมดปัญญาการไปั้งนต่เดิมถึงพมสิบหกกำลังผมดีมากพอท่านชี้ทางเห็นทางแล้วก็ป่าวไปพื้นที่ท่านชี้ เป็นแก้วพอสมทองแปร่รายยับสวยโสดงางคิดว่าแผ่นดินที่นี่ทำไมสวยนัก ต, ตั้งแต่โล ก, กันรกผ่านมานุษย์ผ่านเทวดาผ่านรมไม่มีดินแดนไหนสวยเท่านัดนี้เลยแต่ว่าการออกจากเขตพรมท่านที่สิบกกลายเป็นคนหมดกำลังเดินโพเพโพเพกำลังมันน้อยกว่ากำลังที่ผมพูดยู่เวลานี้ เวลานั้นสวนซัดสวนเซจริงๆบางเอิญไม่เท้าก็ไม่ไปถ้ามีไม่เท้าไปคนจะต้องไม่เท้ายันเดินไปเดินไปก็ไปชนวัดปัดหนึ่งมีกำแพงสวยสดสวยงามเ ป, ป็นทองะสมแก้วแต่แพร่พรานเป็ิยับหน้าซุมประตูคมคำวยแบบมาทำแล้วที่วัดท่าสงและขนาสซุมประตูเปนแบบนั้นแต่สวยก็นี้มากวิจิตรพิสานเยอะ ที่ทำไม่ยาบหยาบแบบเสซนแบบชาวบ้านทุกคนทําแต่ว่าขาโมยแบบคร่าวๆเอามาทําไมาที่นั่นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจของผมพุ่งเดินทางไปมาไยเห็นสุ้มประตูที่ไรผมต้องยกมวยไหวในก็นึกถึงสุ่มประตูที่เราเห็นมานั่นเป็นการเตือนใจใคล้ายๆว่าเรามองวัตถุรูปแล้วก็เห็นพระพุทธเจา้าเองพอเข้าไปเห็นแ พ, พร่ๆก็ผ่านเข้าไป เวลาจะผ่านสมบตูเห็นพรมยืนอยู่สี่คนพรมเหล่สีท่านยกมือไหวในความจริงเวลานั้นไอ้ใจผมมันแค่พรหมแต่จนสวยงามเป็นยับเป็นพิเศษจริ ง, รงๆแล้วพรามเป็นยับความจริงไม่ใช่พรหมพระหันผมไหวท่านท่านก็ไหวผมผมนึก ว, ว่าผมไหวพรงคงไม่เป็นไร เวลาไปเวลานั้นร่างกายมาันแผ่วพราไปในยับเหมือนกันแต่ผมเข้าใจว่าผมเป็นพรมเพราะความรู้มีแค่ผมเอาข้าวไปแล้วก็ไปเจือวัดเข้าประตูไปไปเจอวัดมีอาคารอยู่สามหลังแล้วก็มีหอระฆังเดินไปด้านทิศตะวันออก <c oughs> มีสะโรพครนีมีแท่งแก้วมีต้นไม้แก้วมองไปนะไม่เดิน คนเดินรอบๆดูเลยมันวัดอะไรเนะ้ะเงียบสงัดหาพระสักองค์คนสักคนก็ไม่ได้เข้าใจว่าเป็นวัดเดินอ้อมไปถึงหรอระฆังผมก็เลยนั่งบนหรอระฆังบนพื้นหมดแรงจริงๆแล้วก็นอนพอนอนแล้วหานสายตาก็มองไปทางด้านทิศตะวันออกเห็นสมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าเสด็จเดินมา มีฉับปนรองสีรัศมีองั์ ก, การสวยเงินกฟงงามมากวันนี้เห็นสวยเป็นกรณีพิเศษแวพระปณิยบท่านมาทางด้านที่ตอนออกอแล้วเดินเข้ามาตอนนั้นไม่มีประตูผมเข้าใจว่าท่านต้องข้ามกำแพงมาแต่พอเดินถึงกำแพงแป๊ะกุกำแพง ข, า ด, ขาดออกย่นเข้าไป ย่นก็อยู่รักษณะรูปเดิมไม่มีรอยย่นท่านเดินผ่านมาแล้วกาแพงก็ดันเข้าไปติดกันตามเดิมท่านก็เดินมาที่ผมท่านก็นั่งบนพื้นของหอรขฆังที่ผมนอนก็ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ผมก็ต้องมานั่งข้างล่างผมก็รบธรรมนานท่านถามว่าชาตินี้เธอคิดว่าจะมานิพพานไหม ท่านถามแบบนั้นผมก็บอกว่าผมไม่เคยคิดที่จะมานิพนธ์ท่านถามว่าเพราะอะไรฉันบอกว่ากําลังใจของผมไม่เคยคิดถึงเรื่องนิพนธ์เลยที่เวการหนึ่งนิพนธ์ก็ไม่อยากจะไปเพราะนิพนธ์มีสภาพศูนย์ <c oughs> ไม่มีอะไรเหมือ น, นอากาศว่างว่างเปล่ า, า, า, า, าผมตั้งใจแทบผมสบายไป็นสุขแต่ถ้านถามว่าที่นี่คืออะไรผมบอกว่าผมไม่รู้จัก ท่านถามว่าพรมชั้นที่สิบหกรู้จักไหมผมก็บอกรู้จักเพราะพรมชั้นที่สิบหกที่ผมมาไหว้ทาาว้าวสามอดีพรมทุกวันแล้ววันนี้ก็ผ่านพรมชั้นที่สิบหกมาท่านถามว่าเลยพรมชั้นที่สิบหกเขาเรียกอะไรผมตอบว่าผมไม่ทราบจะเต่อหนิพานก็ไม่ได้หนิพานมันสูนเนี่ยมันก็ไม่มีที่ ท่านก็นเลยบอกว่านิพพานที่นี่เขาเรียกนิพพานอาคารต่างๆที่ปรากฏขึ้นเพราะอาศัยบุญบารมีที่เธอสร้างวิหารธรนมวิหารธานมไว้ในพุทธศาสนาแล้วทาเป็นสาธารณประโยชน์เธอทําได้มากจึงมีวิมานถึงสามหลังแล้วก็จึงได้มีเอ่อมีหอระฆังพิเศษเพราะวิมานก็เป็นหลังใหญ่พิเศษมาก ซึ่งมีมารมณินิพนธนี่หลังใหญ่ๆอย่างนี้ไม่เคยมียังมีเฉพาะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นผมก็แปลกใจก็ถามว่าผงผมละ่ะทําไมถึงโตขนาดนี้เาอก็บอกว่าเธอปรารถนาพุทธภูมิมานานอาศัยบนบารมีที่ปรารถนาพุทธภูมิมาวิมานมันก็ต้องโตเขาบุญทํำไว ม, มากเธอก็ถามต่อไปว่าเธอตั้งใจยมานิพนธ์ไหม ในเมื่าทราบว่าที่นี้เป็นนิพพานผมก็บอกไม่เอาวะไม่ไหวกาลังใจไม่มีมันหมดแรงจริงๆครับเวลาที่พูดพูดเมื่อคนสังกตายพูดมันหมดแรงจริงๆริงเพิ่งถามว่าเป็นเพราะอะไรท่านบอกก็กราบเรียนนะบอกว่าเป็นเพราะกําลังวิปัสสนาญาณไม่พอเพื่อสนใจน้อยสนใจเฉพาะสมถะภาวนาใน ว, วิปัสสนาญาณมีบ้างแต่ว่าก็น้อยเต็มที สมเด็จปัญจนาสีก็ทรงตัดชัยแต่ว่าอา้ใจเขาเถอป้อนวิปัสนาญาณไม่หลายนะก่อนจะภาวนาเธอวิจรนาวัดร่างกายเป็นนิจังของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรนาฏตานั่นคือวิปัสนาญาณผมพูดย่อยๆนะ <c oughs> รู้ว่าปานสอนแนบเน่องกว่านี้แล้วก็ท่านกรเล็ดในทิมิตรไม้ขึ้นสิบท่อนท่อนแค่สอก บางมากทรงเรียกพระมาเก้าองค์ดูว่าจำได้ว่าหลวงพ่อปานเป็นองค์ที่สามเท้าเนเก้าองค์นั่นมาก็ยกบายขึ้นไหวพระเจ้ายกไม้ขึ้นบายแล้ก็เดินไปเดินไปเนไปหมดเก้าองค์แล้วอีกหนึ่งท่อนท <c oughs> ้าบอกว่าเธอยกพระก็บอกยกไม่ไหวท่านบอกว่านี่เป็นคําสั่งไม่ใช่คำขอร้อง ในเมื่อคำสั่งนี้ผมถือมันมาตั้งแต่เด็กถ้าท่านแม่ท่านยายหรือใครสั่งผมต้องท ำ, ท, ำทันทีผลจะไม่ยอมขัดคำสั่งของผู้บังคบัญชาฉะนั้นผอยู่โรงเรียนจึงไม่เคยถูกดถูกดา่าไม่เคยถูกเคยน <c oughs> เพราะคำสั่งของครูต้องเป็นคาสั่งเวลาโตแล้วไปทำงานกับใครก็ไม่เคยมีโทษเพราะการขัดคำสั่งในเมื่อพระเจ้าสั่ง ก็ยิ่งกว่าพวกนั้นอีกความสําคัญแล้วก็ต้องทําใจมันบอกยกไม่ไหวแต่พอลุกขึ้นมาตั้งท่ายักแย่ยั ก, ย, ก, ย, กยันว่าเ อ, อ้ยังไงไงก็ลองยกพระจับพับมันเบาวิ่งกะ่าดาบบางๆอีกเวลานี้กําลังใจมาจนที่กําลังกายก็มายกไม้ขึ้นมาโอเดินปรับปรับปรับเอกสารตามพระก้าวองไป เดินไปได้ประมาณจากสิบเมตรจะมั้งท่านก็ทรงเรียกกลับกลับมาก่อนทําไม้วางข้ก็กลาบทันว่าจงกลับลงไปทําวิปัสนาญาณให้เข้มข้นชาตินี้เธอหนึ่งคนละที่จะมาที่นี่ได้ก็กลับทูนถามกําลังใจว่าจะทำนี้วิปัสนาญาณทานายังไงท่านบอกวันเป็นของไม่ยากเท่าสัมปชีมชี้ให้ดูแล้ว ่านาล็กคุมไหนไม่มีความสุขบ้าง <c oughs> โอโหถามของดีเฮกราคุนว่าไม่มีคุมไหนที่ผมชอบเลยเขเข็ดสามดีผมก็บอกคุมนี้เธอมากี่ครั้งกี่ครั้ ง, งบอกไปหมดเลยว่าเข็ดเต็มทีถามว่าเปรตเผ่าไหนมีความสุขบ้างไม่มีอสูรกายกลุ่มไหนมีความสุขมัง่งไม่มี สาติชนันประเภทไหนมีความสุขมั่งก็ไม่มีถามว่าเป็นมนุษย์สุขไหมบอกไม่ไหวแล้วเข็ดความเป็นมนุษย์เหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งทําคุณกับใครเหมือนไฟตกน้ำเสมอไม่มีใครรู้คุณการป่วยใข้มาสัมบายทั้นสองสามปีคนก็ยังไม่รู้ว่าป่วยเลยเขาคอยอย่างเดียวเขาก็ต้องการว่าอะไรมันดีบ้างผมเข็ดความเป็นมนุษย์ ท่านถามว่าเทวดาชั้นไหนมีความสุขที่ต้องการมากบอกพวก็บอกเข็ดเป็นเทวดาหลายครั้งก็ต้องโดดไปทุกทีท่านถามว่าเป็นพรมชั้นไหนที่มีความต้องการก็บอกพรมชั้นที่สิบว่าการเป็นพรมดีไหมผมบอกก็ดีไม่มากหมดเพ ร, ราว่าสนาบารมีก็ต้องไปพว ก, ก็โดดไปจากผมจะกลับเข้ามาเป็นพรมใหม่ ท่านถามว่าถ้าสามารถมรริพันได้จะอยู่ในตลอดการจะพอใจในพรมไหมองค์ก็บอกว่าถ้ามรรคพันได้ทาริพันมีพื้นที่อย่างนี้ผมไม่อยากไปพรมเพราะอยากมรรคพันแล้วบอกสั้นๆว่าการใช้วิปัสสนาญาณเพื่อจะมรนิพันเอาสั้นๆวันนี้ผมขอพูดสั้นๆว่าอันดับแรกกำรังเกียรร่างกายตามความเป็นจริง ร่างกายผู้ชายก็ดีร่างกายผู้หญิงก็ดีไม่มีร่างกายไหนสะอาดผมเห็นชัดร่างกายผู้ชายก็ตามร่างกายผู้หญิงก็ตามไม่มีการทรงสภาพแก่ทุกวันมีแต่ความตุกผมเห็นชัดร่างกายทุกคนต้องมีความป่วยเข้าไม่สบายอันนี้สนัดมากป่วยบ่อ ย, อยและทุกคนจะต้องตายอันนี้ก็าทราบ ถ้าตายแล้วอารมณ์ชั่วก็ไปอบายภูมิอารมณ์ดีหน่อยเป็นมนุษย์ดีไม่นิดเป็นเทวดานี่ไม่หน่อยเป็นพรหมแต่ก็หมุนกันไปวนกันมาไม่มีความสุขตัดสินใจไว้โดยเฉพาะเพราะว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าร่างกายพังมาเลยเราของมานิพนานจงอย่าคิดว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเราเธอมาเวลานี้เธอนําร่างกายมาหรือเปล่าก็บอกว่าเปล่า ถามล้วว่าเวลาที่ไม่ไม่นําร่างกายมาออกจากกายแล้วมีความสุขและความทุกข์ก็กล่าวทนว่าเวลานี้มีความสุขมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพบอง์สมเด็จพระพูทมีพระพายแจวกระสุขเป็นพิเศษยิ่งไปกว่านั้นมาองค์สมเด็จพระบระโมโลคเชตทรงแนะนําว่าที่นี้เป็นอภัยก็ยิ่งสบายใจมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าที่นี้เป็นที่อยู่ตนเองที่มีความสุขใจมากอยากมาพะเจาค่ะ เขาคํกาคำไม่อยากมาให้อยากไว้ตลอดล้วทำกิจเพื่อจะมานิพพานได้หนึ่งโลภะความโลภยองเยากลับมีอีกเวลานี้เธอตัดไปได้แล้วสองโรสะความโกรธของเธอยังมีพยายามตัดราคะความรักเธอระงับไันได้พยายามตัดให้สินและก็โมหะความหลงการคิดว่าเป็นพรมดีจงเลิกเสีย เวลานั้นมัติดแค่พรหมอย่างเดียวต้องการมาเฉพาะพระนิพพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับจนแบบนี้เป็นต้นไปเธอจะมานิพพานได้ทุกขณะจิตที่ต้องการแล้วก็จงมาทุกวันอยู่นั่งนอนให้เป็นสุขแทนวิมานของพรหมขึ้นมาแล้วมาอยู่ที่ตรงนี้ที่วิมานนี้หลังไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้บริเวณทั้งหมดเป็นของเธอ ถ้าเธอต้องการพบตถาคตนึกอะไรจะมาจะมาถึงมานั้นในเมื่อองค์สมเด็จพระกวนทรงมีพระมหาคุณนาที่คนแบบนั้นก็ชื่นใจแลวท่านก็ส่งกลับว่าจงกลับไปเข้าร่างเดิมเวลานี้กาลังนอนอยู่ที่โรงจยบาลจงเดินไปทุกจุดดูคนทุกคนว่านอนอยู่ที่นั่นมีความสุขหรือความทุกข์ถ้ามีร่างกายอย่างนั้น คนที่นอนที่นั่นมีฐานะทุกฐานะไม่มีใครมีความสุขและเธอจึงจะลืมทุกเช้ามืดเป็นอย่างน้อยขึ้นมาทุกวันหลังจากนั้นได้จัดจิตใจไม่สบายร่างกายเพี้ยนมาพระที่ผ่านละสองสมนาทีทำอย่างนี้ตายเมื่อไร่มานิพพานวันนั้นแล้วสมเด็จพระพุทธไวยก็ส่งส่งกลับหลังจากนั้นโพลแทนนี่ผมจะไปไหนเพราะเขาไปนิพพานเพราะไม่ไปพรหมแล้ว ผมมั่นใจว่านิพานมีไม่สนตามที่เขาว่าเนี่ยบรรดาย่าโยมพุทธบริษัทธรรดาเพื่อนพิสุทธิสมณีการพูดบันทึกคราวนี้ให้เป็นหนังสือและการตอนนี้ขอเป็นการจบหนังสือเล่มที่หนึ่งเล่มหนึ่งมีสิบคัตเศษและก็เรื่องการตายของผมนี่ยังไม่หมดนี่เป็นการตาตายใหญ่เป็นกรณีพิเศษ พ ร, พระองค์สมเด็จพระรัมยเชษฐท ร, ง, รงยืนยันว่าไปนิพพานได้ทลานบรรดาทา่านผู้ตุลธบริษัทท่านหลายเท่าที่ผมพูดมานี่นะอาจจะมีใครบ้างไหมที่กล่าวว่าเป็นการโอ้อวดถิมโนสธรรมทำไม่ยิ่งที่ไม่มีในตนแต่อย่าลืมว่าองค์สมเด็จพระทศกุลทรงยืนยันกับพระสงฆ์ทั้งหลายว่าโมกคลาเป็นลูกของเราเห็นจริงรู้จริงเราพูดตามความเปจริงไม่ผิดวินัย ตอนนี้ไปสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วสำหรับเล่มที่หนึ่งขอจบจบแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบันดาจานพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี